วิเคราะห์ความหมายของไตรลักษณ์ข้อที่3อนัตตาและอนัตตลักษณะข้อก่อขอบเขตความหมายขอทูลความก่อนว่าอนัตตาคือความเป็นอนัตตามีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมมากกว่าความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ ขอบเขตนั้นกว้างแคบกว่ากันแค่ไหนเห็นได้ชัดเจนทันทีในพุทธพจน์ที่แสดงหลักนั้นเองคือพุทธพจน์ที่หนึ่งสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงพุทธพจน์ที่สองสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุก์พุทธพจน์ที่สมสัพเพธรรมาอานัตตา ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาพุทธพจน์แสดงหลักธรรมนิยามอันบ่งบอกถึงไตรลักษณ์นี้ชี้ชัดว่าเฉพาะสังขารเท่านั้นที่เป็นอนิจจงและเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งสิน้นคือยังมีธรรมบางอย่างที่ไม่เป็นอนิจจ์และไม่เป็นทุกขงังได้แก่ธรรมที่ไม่เป็นสังขารแต่ธรรมทุกอย่างรวมทั้งธรรมที่ไม่เป็นสังขาร น, นั้นด้วยเป็นอนัตตา คือล้วนไม่ใช่อัตตาไม่มีอัตตาไม่เป็นอัตตาหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นสิ่งใดทั้งนั้นไม่มีอะไรมีอัตตาไม่มีอะไรเป็นอัตตาเลยคำว่าธรรมครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือคำว่าธรรมไม่ว่าสิ่งใดๆใช้คำว่าธรรมเรียกได้ทั้งหมดเมื่อธรรมครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างธรรม จึงจําแนกออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่อาจจัดประมวลได้เป็นกลุ่มเป็นประเภทการจัดกลุ่มหรือประเภทที่เข้ากับเรื่องในที่นี้คือธรรมทั้งปวงจําแนกเป็นสองจำพวกได้แก่สังขตธรรมและอสังข ต, ธ ร, งขตธรรมสังขตธรรมคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือสภาวะที่เกิดจากปัจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมา เรียกง่ายๆว่าสังขารได้แก่รูปธรรมและนามธรรมทั่วไปที่จัดเข้าในขันห้าอสังคตธรรมคือธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งหรือสภาวะที่ไม่ใช่เกิดจากปัจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิสังขารได้แก่สภาวะอันพ้นจากขันทั้งห้าคือนิพพานโดยนัยนี้ จึงแสดงหลักธรรมนิยามแบบขยายความได้ดังนี้ 1. สังขารคือสังคตรธรรมที่จัดเข้าในขันห้าทั้งปวงไม่เที่ยง 2. สังขารคือสังคตรธรรมที่จัดเข้าในขันห้าทั้งปวงเป็นทุกข์ 3. ธรรมคือสังคตรธรรมและอสังคตรธรรมทั้งปวง ไม่มีไม่เป็นอัตตาพึงสังเกตไวให้ตรหนักชัดว่าพระพุทธเจ้าตรมาตามลำดับในสองข้อแรกทั้งข้อไม่เที่ยงและข้อเป็นทุกข์เหมือนกันว่าสังขารทั้งปวงแต่พอถึงข้อสามที่เป็นอนัตตาทรงเปลี่ยนเป็นธรรมทั้งปวงเมื่อมองตรงตามพุทธพจน์นี้พุทธประสงค์ หรือพุทธาธิบายเกี่ยวกับขอบเขตแห่งความหมายของอนิจจตาทุกขตาและอนัตตาก็ชัดแจ้งอยู่ในตัวแล้วว่าข้อไหนแค่ใดไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติม